แหล่งโบราณคดีเมืองดงละครยุคสมัยประวัติศาสตร์ธารวดีที่ตั้งก็อยู่บ้านดงละครตําบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนคร น, นายกสําหรับบ้านดงละครนั้นนะคะเป็นหมู่บ้านเก่าที่มีอายุกว่า100ปีสามารถสืบย้อนหลังไปได้ถึงสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาระหว่างสงครามไทยกับพมา่าเมื่อพุทธศักราชสองพ ภายหลังสงครามเสียกรุงผู้คนบางส่วนก็ได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณดงละครเพราะว่ามีสภาพเป็นป่าแล้วก็เป็นหนองน้ำทั่วไปเมื่อราว 50-60 ปีก่อนแล้วก็ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของช้างป่าจำนวนมากแล้วก็มักจะเข้ามากินข้าวในนาเสมอต่อมาชาวบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นที่มากขึ้นนะคะป่าก็เริ่มมีแต่ผู้คนค่ะช้างป่าก็เลยหนีขึ้นไปอยู่บนเขตเขาใหญ่ ซึ่งหลักฐานทางด้านของโบราณคดีบอกว่าเมืองดงละครเนี่ยเป็นเมืองคูน้ำคันดินรูปวงรีมีขนาดยาว700เมตรกว้าง600เมตรการขุดค้นทางโบราณคดีได้พบหลักฐานการอยู่อาศายัยระหว่างพุทธศตวตรรษที่ 13-15 มีโบราณวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผาแบบท้องถิ่นสมัยทาราวดีเครื่องเคลือบสีน้าตาลคล้ายกลุ่มเตาบ้านกระดบุรีรัมถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ถังแล้วก็ซอง แล้วก็เครื่องถ้วยเปอร์เซียรวมทั้งลูกปัดแก้วหลายสีลูกปัดมีตานะคะลูกปัดสลับสีลูกปัดคาร์เนเลียนแล้วก็อกเกตที่แสดงถึงการติดต่อค้าขายกับอินเดียและก็เปอร์เซียนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบพระพิมพ์เนื้อเงินแบบศิลปะทารวดีราวพุทธศตวตรรษที่13และ14และโลหะสำริดประเภทกาไรพระพุทธรูปสำริด ศิลปะบายน์พุทธศตรวตรรษที่17และ18ซึ่งชาวบ้านเก็บรักษาไว้นะคะรวมทั้งขวานหินขัดจำนวนมากที่ผลิตจากหินแอนดีไซส์แล้วก็ไรโอไลส์ o นะคะการขุดค้นของโครงการโบราณคดีภาคกลางเมื่อพุทธศักราช2529ค่ะก็ได้พบโบราณวัตถุคล้ายกับการขุดค้นในปี2533โดยเฉพาะเศษเครื่องปั้นดินเผาที่มีลายประทับรูปบุคคลและก็ช้าง ส่วนการขุดค้นครั้งแรกได้เริ่มในปีพุทธศักราช2515โดยนายพิสิทธิ์เจริญวงศ์ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้นซึ่งก็ได้พบหลักฐานในลักษณะเดียวกันซึ่งอย่างไรก็ตามถ่าระหว่างพุทธศักราช2535ได้มีการสำรวจร่วมระหว่างกรมศิลปากรและกรมทรัพยากรธรณีซึ่งนักธรณีวิทยาก็ได้ให้ความเห็นว่าเนินดินรงละครในชั้นที่เป็นกรวดขนาดต่างๆที่แสดงถึงการตก ตะกรนระหว่างที่ถูกน้ำพัดพามาอย่างต่อเนื่องในสมัยไพลสโตซีนนะคะในระหว่างการสำรวจก็ได้ทราบจากสถานีอนามัยดงละครขว่ามีการพบพวกเปลือกหอยจำนวนมากทางทิศใต้ของดงละครคณะสำรวจก็เลยตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวเป็นบริเวณที่ขุดคลองชนละปะทานแล้วก็ทำประตูระบายน้ำในเขตตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์และตาบลศรีจุฬาอาเภอเมืองนคร น, นายก ก็ได้พบเปลือกหอยทะเลขนาดใหญ่นะคะประเภทหอยนางรมหอยสองฝาเป็นหอยกาบลักษณะเช่นนี้คล้ายกันกับการค้นพบที่วัดเจดีหอยจังหวัดปทุมธานีนะคะกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ก็อยู่ที่ประมาณ 5,500 ถึง 6,000 ปีมาแล้วซึ่งเป็นลักษณะแนวทะเลในระหว่างนั้น จากจุดนี้ก็จะนำไปสู่การสารวจทางธรณีวิทยาต่อไปซึ่งตัวอย่างการเจาะชั้นดินในไร่อําพรไผ่สาลอําเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกในสมัยไพลสโตซีนตอนปลายราว 12,000 ถึง 1,000 ปีแนวชายฝั่งทะเลอยู่ไกลออกไปบริเวณนครนายก แล้วก็ที่ลุ่มภาคเป็นที่ดอนซึ่งประกอบไปด้วยกรวดทรายศิลาแรงสมัยโฮโลซีนราวหนึ่งหมื่นปีระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจนท่วมที่ราบลุ่มภาคกลางนะคะและขึ้นสูงสุดเมื่อ 6,000 ปีต่อมาสมัยโฮโลซีนตอนกลางราว6 0 0 0 5ถึง 5, ปีระดับน้ำทะเลก็เริ่มลดลงแล้วก็เกิดที่ราบเหนือระดับน้า นอกจากนี้นะคะการสำรวจทางโบราณคดีในหมู่ที่5ตำบลดงละครทางทิศใต้ของเกาะดงละครซึ่งใกล้กันกับแนวลำน้ำนคร น, นายกเดิม ก็ได้พบโบราณนนะวัตถุประเภทแรกควอตซ์ซึ่งเป็นคุณภาพดีแก้วก็ยังเป็นวัตถุดิบที่ยังไม่ได้แปรรูปแล้วก็กําไรสำริดสองวงจากการขุดบ่อ น, น้ำที่ระดับลึก4เมตรสำหรับควอตซ์นั้นนะคะเราทราบว่ามีแหล่งที่เขาแก้วอำเภอบ้านนาทางทิศเหนือราว20กิโลเมตรค่ะส่วนวัตถุดิบแก้วนั้นเรายังไม่ทราบแหล่งที่แน่ชัด กำไรสำริดนะคะอาจจะมาจากทางกลุ่มเมืองลบบุรีซึ่งในบริเวณเขาเพิ่มเราได้พบขวานสำริ์มีป้องจึงชี้ถึงแนวทางในการศึกษาหลักฐานดังกล่าวนะคะก็แสดงข่าว่าดงละครเป็นเมืองท่าสำคัญในระหว่างสมัยประวัติศาสตร์การติดต่อกับอินเดียจีนเปอร์เซียที่มีการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบกัน และก็มีการทําเครื่องประดับเองในกลุ่มดงละครซึ่งดงละครเองไม่ได้โดดเดี่ยวแต่ว่ามีการติดต่อทั้งภายในและภายนอกขวานหินขัดที่พบในดงละครเนี่ยแม้จะไม่ได้พบในหลุมขุดค้นก็อาจจะมองได้2ประเด็นค่ะก็คือกลุ่มดงละครยังคงมีขวานหินใช้ต่อมาอาจในจะเป็นในรูปของพิธีกรรมลักษณะหินแอนดีไซน์แล้วก็ไรโอไลท์นะคะอันมีแหล่งผลิตที่บ้านห้วยกรวด ดงละครก็อาจจะเป็นจุดผ่านในการติดต่อระหว่างกลุ่มบึงไผ่ดําและก็บ้านห้วยกรวดในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะในบริเวณใกล้เคียงกันก็จะเป็นเขตบ้านนายวิพลสีประดับนะคะได้พบแนวโบราณ10บคูณยีเมตรโดยมีหินทรายขนาดใหญ่วางในรูปสี่เหลี่ยมสี่มุมลักษณะก็จะคล้ายกันกับใบเสมาอันนี้ก็อาจจะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งต่างจากกลุ่มโบราณนสถานในเมืองดงละครที่สร้างด้วยอิฐแล้วก็ศิลาแรง ระหว่างพุทธศตรวรรษที่สิถึงสิกลุ่มเมืองดงละครก็ได้รับอิทธิพลเขมรเช่นเดียวกันกับโคกกระโดนอําเภอบางพลีและอําเภอเมืองศรีมโหสถปราจินบุรีค่ะภายหลังพุทธศตรวรรษที่สิเมืองดงละครก็ยังคงเป็นกลุ่มชนเล็กๆ เ, เพราะว่ามีการเปลี่ยนเส้นทางแม่น้ํานครนายกคนหลายกลุ่มนะคะแล้วก็กลุ่มใหญ่ๆค่ะก็ย้ายไปตั้งเมืองที่นครนายกในสมัยอยุธยาจนถึงเสียกรุงครั้งที่สองในปีพุทธศตวรรษามร้อย ชาวเมืองก็หนีขึ้นไปอยู่บนเขาใหญ่เพื่อหลบภัยพมา่าในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ลาวพวนลาวเวียงแล้วก็มอนอบพยพเข้ามาอยู่ในเขตเมืองนคร น, นายกแล้วก็อำเภอปากอำเภอบางพลีนะคะ สมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชนที่บายว่าเมืองดงละครเนี่ยเป็นเมืองที่นางพญาขอมสมัยโบราณสร้างไว้ให้องค์รักซึ่งผู้รู้ก็สันนิษฐานค่ะว่าเมืองที่กล่าวถึงเนี่ยคือเมืองโบราณดงละครชื่อดงละครเนี่ยมาจากตำนานพื้นบ้านบอกเล่านะคะว่า ในคืนวันเพนเต็มดวงชาวบ้านจะได้ยินเสียงปีพาดแววมาตามสายลมแต่หาที่มาของเสียงดนตรีไม่ได้ชาวบ้านจึงเรียกเมืองแห่งนี้ว่าเมืองดงละครคือดงที่มีเสียงละครหรือว่าเมืองรับ แ, แลนั่นเองนะคะซึ่งคุณสมทรงโชคชื่นท่านเป็นคนดงละครโดยกําเนิดในสมัยเรียนที่โรงเรียนวัดหนองทราย่าขออภัยค่ะหนองทองทรายต่อมาก็ได้ศึกษาในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านได้ประพันธ์เชิงเล่าตำนานเมืองดงละครไว้ดังนี้นะค ะ, ะแถลงลักหลักฐานบบราณเรืองตำนานเมืองกล่าวแจ้งแถลงไขแต่การก่อนเป็นดอนดงและพงไพรมีสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยนับร้อยพันทั้งเสือช้างกวางเก้งกระเรียนกระรอกสุนัขจิ้งจอกชนีลิงกระทิงสมันกระต่ายกระแตแย้บ่างฆ่าครบครันอุดมพันธ์ไม้ป่าหน้าเพลิดเพลินทั้งกระเตงรังตะแบกไผ่ไม้ตะเคียน ไม้กระเบียนกระบกกระเบาตามเขาเขินแดงสักรังประดูดูจเจริญชมเพลินธรรมชาติสะอาดตาเหลืองสะพรั่งดังแดนดินถิ่นสวรรค์ด้วยมีพันไม้บุญนาคมากนักหนาดอกหล่นอยู่เกลื่อนกลาดดาดดาประดับป่างามวิไลในพรงไพคำผู้แก่ผู้เฒ่าเล่าขานแต่ก่อนการจำได้ไม่หลงไหลใครร้องรำเล่นละครในดอนจง อาถรรพ์ส่งสาบสารมีอันเป็นตามตำนานที่ยินมาปรากฏชัดซึ่งประวัติตำบล น, นี้ชี้ให้เห็นทั้งวันดีคืนดีที่ร่มเย็นมีเสียงเล่นร้องรำมาตามลมเสียงละครไพเราะสนอาะโสดแววอุโคตวังเวงเพราะดูเหมาะสมเสียงเพลงพินจินตนาหน้านิยมหวาบอารมณ์พี่รมชื่นระรื่นใจจึงพร้อมกันตั้งนามตำบลบ้าน ตามตำนานที่กล่าวแจ้งแถลงขอาศัยเสียงเล่นละครในดอนไพรตั้งชื่อให้ต้องตรงว่าดงละคร ดงละครนับเป็นดงที่พิสดาร น, นะคะคุณผู้ฟังนอกจากจะพบกับเหตุการณ์ต่างๆทั้งแปลกทั้งประหลาดแล้วยังมีลูกหินลูกนิมิตอยู่มากมายค่ะถ้าวัดต่างๆต้องการลูกนิมิตทําพิธีบวงสรวงถูกต้องดีแล้วก็สามารถหาได้ตามขนาดที่ต้องการโดยไม่ยากและไม่รู้จักหมดสิ้นอย่างน่าอัศจรรย์ประวัติของดงละครที่ท่านทั้งหลายได้ฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบพอเป็นเครื่องชี้แนะแนวทางให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบถึงประวัติแล้วก็ความเป็นไป เป็นมาอย่างไรของตาบลดงละครตามคำบอกเล่าของผู้เท่าผู้แก่รุ่นปู่ย่าตายายเล่าจดจำสืบต่อกันมาช้านานนะคะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งค่ะก็คือเป็นเรื่องของประวัติบ่อน้ำทิพย์เมืองโบราณดงละครเขาบอกว่าบ่อน้ำแห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยใดก็ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดแต่ว่าจุดที่เป็นบ่อน้าทิพย์เนี่ยเคยเป็นแนวแม่น้นาคนครนายกสายเดิมซึ่งเปลี่ยนทางเดินภายหลัง ปัจจุบันอยู่ในแนวคูเมืองโบราณระหว่างคันดินสูงประมาณ 20-30 เมตรนะคะซึ่งเป็นแนวกำแพงเมืองชั้นนอกแล้วก็ชั้นในแล้วก็มีบ่อศิลาแรงซึ่งสันนิษฐานว่าจะเป็นบ่อศิลาแรงที่นำไปสร้างกำแพงเมืองดงละครแล้วก็ศาสนสถานต่างๆในสมัยนั้นจากหลักฐานต่างๆที่เชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนานผ่านยุคสมัยต่างๆมานับร้อยปีค่ะไม่ว่าจะเป็นทารวดีอยุธยาธนบุรีจนถึงรัตนโกสินทร์ ทำให้พอที่จะอนุมานเข้ากันได้ว่าดินแดนเมืองดงละครแล้วก็บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมความเชื่อมมากมายด้วยเวลาผ่านไปอย่างเนิ่นนานบ่อน้ำแห่งนี้ก็เลยได้ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้ตามยุคสมัย จนกระทั่งในปี2533ค่ะเมื่อโรงเจสว่างอาริยธรรมสถานหรือว่าเม่งมุยตัวได้เชิญเซียนซือจากนกครสวรรค์ามาประทับทรงในพิธีเปิดอาคารโรงเจหลังใหม่เซียนซือในร่างทรงเนี่ยบอกว่ามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ดงละครนะและร่างทรงดังกล่าวได้ตรงมายังบ่อน้ำแห่งนี้แล้วก็ให้นำน้ำในบ่อศักดิ์สิทธิ์นี้เนี่ยไปประพรมรงเจและผู้ที่มาร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ นับตั้งแต่นั้นมาค่ะชาวบ้านก็พากันบูชากราบไหว้กล่าวคําอธิษฐานตักน้ำจากบ่อศักดิ์สิทธิ์ไปปะพรมดื่มกินอาบน้ำโดยเชื่อ ว, ว่าจะทำให้เกิดโชคลาภหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆซึ่งก็บังเกิดผลจริงขึ้นขนาด น, นำบ่อน้ำแห่งนี้นะคะว่าบ่อน้ำทิพย์ ซึ่งผู้ที่ยืนยันได้ว่าได้รับผลอันศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำในบ่อ น, น้ำทิพย์แห่งนี้ก็คือนายสังวานิศสอนไกรบ้านเล็กที่40หมู่6ตำบลดงละครอำเภอนครนายกนะคะจังหวัดนครนายกซึ่งปัจจุบันยังคงมีชีวิตอยู่ค่ะเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพศ2542 องค์การบริหารส่วนตำบลดงละครนายเถลิงครามะคำนายอำเภอเมืองนครนายกและจังหวัดนครนายกค่ะได้ทําพิธีตักน้ําจากบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เมื่อเวลา16บหนากาสามเนาทีเพื่อนําไปใช้ในการประกอบพิธีในพระราชพิธีพระชนมพรรษาครบ6รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวันที่5ธันวาคมเมื่อพุทธศักราชสองพันระอาสีมสอารามหลวงวัดอุดมธานีตําบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายกที่จังหวัดนครนายกโดย ก, การกําหนดของสํานักพระราชวังนะคะอันหนึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลดงละครค่ะก็เคยจัดงานมาคะปุ่นน้ำมณีที่ดงละครบริเวณบ่อน้ําทิพย์แห่งนี้เช่นกันแล้วก็ในปัจจุบันยังคงมีประชาชนได้มาตั้งจิตอธิษฐานนําน้นนําในบ่อน้ําทิพย์แห่งนี้ไปดื่มแล้วก็อาบอยู่เป็นประจําเรื่อยมาค่ะ สำหรับสถานที่ตั้งก็ตั้งอยู่ที่หมู่5ตำบลดงละครอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนคร น, นายกนะคะก็ยังไงใครที่อยากจะเดินทางเข้าไปสู่บ่อน้ําทิพย์จังหวัดนคร น, นายกก็ให้ไปตามทางหลวงใหม่เลข307ถึงบ้านดงละครก็ประมาณ9กิโลเมตรนะคะสําหรับบ่อน้ําทิพย์เนี่ยได้รับการบูรณะแล้วในปี2549จากองค์การบริหารส่วนตำบลดงละครนั่นเองค่ะ